ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องนี้คือโลกของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่23กันยายน2533ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัด น, นี้ค่ะ เทตมาได้เอาเรื่องราวของกิจการหรือว่าบทบาทพฤติกรรมอะไรต่ออะต่างๆนาน า, นาของพวกเราชาวโศกเอามาอธิบายประกอบเอามายืนยันบางทีก็เอาเนื้อหาหัวข้อของธรรมะเข้าไปขยายความกํากับเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้นอกเนื้อจากการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านั้นเป็นการเกิดจริงมีจริงใน พฤติกรรมในบทบาทในระบบของสังคมพวกเร า, าเกิดขึ้นมาแล้วและจะมาว่ามันมองง่ายและมันก็เป็นหลักฐานยืนยันด้วยว่าพวกเราได้ทํำสิ่งเหล่านี้เกิดมาได้เป็นไปได้อย่างมหัศจรรยนะ์พระพุทธเจ้าท่านนําทฤษฎีของท่านมาสอนคนนี่หลักปฏิบัติคือมรรคองแปดมรรคองแปดเนี่ย ลึกซึ้งที่อาตมาย้ำยืนยันกับพวกเราบ่อยๆเลยว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีตื้นเขินนะทฤษฎีของไอน์สไตน์ e เท่ากับ m c กำลังสองอาตมาก็เอาเทียบเคียงของไอน์สไตน์ในบ่อยไม่ใช่ว่าอธิบายกันได้ง่ายๆก็ไม่ได้เรียนกันได้ง่ายๆเรียนกันแล้วเอาไปปฏิบัติให้มันเกิดผลจริงๆก็ไม่ใช่ง่ายๆ e เท่ากับ m c กำลังสองของไอน์สไตน์นี่ไม่ใช่ว่าจะได้ผลมาง่ายๆไม่ใช่ว่าทํากันได้ง่ายๆมันลึกซึ้งแล้วก็ยากเย็นของพระพุทธเจ้านี้ ลึกซึ้งกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นขอยืนยันว่าลึกซึ้งยากยากที่จะรู้ละเอียดละอ่ในทฤษฎีซึ่งเราพูดกันง่ายๆเหมือนกับ e เท่ากับ mc กําลังสอง e คืออะไร m คืออะไร c คืออะไรรู้สมการ e เทกับ mc กําลังสองคืออะไรก็เข้าใจคนเรียนคณิต ศ, ศาสตร์เบื้องต้นทำกลางหรือว่าอย่างสูงอะไรขึ้นมาก็เข้าใจหรือทฤษฎีของพระเจ้าจะบอกว่ามรคองแปดทางปฏิบัติเนี่ย ก็คือสัมมาสังกัปปะเอ้ยสมาสัมทิธิสัมมาสังกัปปะสมาวาจาสมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสมาวายมะสมาวายมะสมาสติวายมะก่อนสติสัมมาสมาธิแปลเป็นไทยว่าอย่างไรก็เข้าใจความหมายสมาธิฐิแปลว่ามีความเห็นชอบก็เข้าใจอธิบายความกันมาก็เข้าใจสัมมาสังกัปปะมีความดําริความคิดชอบก็เข้าใจ สมาวาจาคือ ก, การพูดที่ชอบที่ควรก็เข้าใจนะจกนกระทั่งถึงสมาสติอะไรก็เข้าใจวิธีการปฏิบัติก็บอกว่ามันของเรื่องของไตรสิกขาในมรรคองแปดนี่แหละเป็นเรื่องของไตรสิกขาเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอธิบายความกันออกมาก็พอเข้าใจแต่ปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่เป็นผลที่ตรงทิศทางของพระพุทธเจ้าได้ง่ายเลย จนทุกวันนี้เนี่ยเอามาปฏิบัติบอกว่าเป็นหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของไตรสิกขามรรคองแทฤษฎีของพระเจ้านี่แหละก็ปฏิบัติกันศีลก็ไม่เป็นศีลเป็นศีละพรัตประมาทศีลถึงเหมือนศีลลุกๆคลำๆศีลที่ไม่เกิดผลศีลที่เอามาทํากันแบบจารีตประเพณีทํากันไปไม่เกิดการขัดเกลารไม่เกิดการพัฒนาอะไรไม่ลดไม่ละกิเลสก็ยังโลภเห็นแก่ตัวยังโกรธแก่แค้นอาฆาตมาตร้ายอะไรกันอยู่ ยังไม่ได้เป็นความจริงยังหลงหลงทางยังไม่ตรงทิศทางยังไม่เข้าสัมมาเจอะแยะนะจริงๆทั้งๆที่แปลอะไรได้หมดภาษามาพูดบางทีนี่อย่าว่าแต่พูดผิดเลย พูดถูกและพูดลึกซึ้งด้วยซ้าคนอธิบายมรรคองแปดได้ลึกซึ้งก็มีเรียนมาทางภาษาทางอะไรต่ไรของทฤษฎีพุทธเจ้าอู้เข้าใจโดยจินตามยปัญญาโดยการใช้ความคิดนึกผกผันตามหลักเหตุผลต่างๆอธิบายบรรยายเข้าใจในหลักเหตุผลลึกซึ้งอย่างน้นอย่างนี้มรรคองแปดเข้าใจมากมายสาธยายได้เยอะแยะแต่ความจริงพฤติกรรมของผู้ สาธยายนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นเลยก็ยเยอะทุกวันนี้ปฏิบัติตามบ้างก็ไม่ค่อยได้ผลก็มีปฏิบัติตามบ้างได้ผลเล็กๆน้อยๆมีปฏิบัติถึงขั้นที่ บ, บริสุทธิ์บริบูรณ์บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยตอบได้เลยว่าขณะนี้ไม่มีเลยในประเทศกล่าวอย่างนี้เป็นการบรรลุสีหนาท ยืนยันว่าไม่มีมีแต่ความหลงหลงว่าศาสนาพุทธนั้นปฏิบัติมรรคองแปะก็ไปปฏิบัติอย่างไหนก็ไม่รู้มรรคองแปะไปผสมฤษีนั่งหลับตาอยู่ที่ในป่าในเขาในถ้าและอธิบายไปโน่นอ่ะปฏิบัติคือไปนั่งในป่าเขาถ้าเสร็จแล้วไม่มีสมาสังกปะสมาวาจาสมมากรรมตะสมาอาชีวะอะไรยิ่งอาชีวะยิ่งไม่มีใหญ่เลยไม่มีการงานที่ประจําชีวิตคืออะไรนั่งมันเฉยๆนั่นคืออาชีพประจําชีวิตนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าในเขาในถ้าอย่ามายุ่ง การงานอะไรของคนเขาอย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายถ้ามาวุ่นวายมายุ่งหาว่าไม่ใช่นักปฏิบัติที่ดีซะด้วยหาว่ายังโลภโมโทสันยังอยากได้มาอธิบายเรื่องการเกษตรธรรมชาตินี่อยากได้เกษรรตรเลยทีอยากได้ข่าวใช่ั้มมาอธิบายเรื่องการเงินเข้าไปนี่อยากได้เงินแง่เลยอธิบายเรื่องการเมืองนี่มันยังจะมาเล่นการเมือง ไปนอนเลยนะนี่แสดงว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าศาสนาพระพุทธเจ้านะันคือศาสนาของมหาชนของศาสนาสังคมของศาสนาคนเมืองสรุปง่ายๆคือศาสนาการเมืองศาสนาคนเมืองคนอยู่ในเมืองนี่แหละมากคนอยู่ในป่านะมันไปพกผูกหลงล ง, ลงเผาคนนี่เป็นสัตว์โขลงนะ ไม่ใช่สัตว์ปลีกไม่ใช่สัตว์เดียวที่จะไปอยู่คนเดียวปลีกปลีกเดียวๆแล้วก็บอกว่าบรรลุไอ้นั่นมันเป็นความหลงทางของาศาสนาฤๅษีลัทธิฤๅษีต้องเยอะต้องแย่เนะ่ยเขาหลงทางเขาก็บอกว่าปลีกเดียวสะกดจิตก็ไปแล้วก็นั่งจุ่มปุ๊กไม่เคยรู้เรื่องอะไรก็โลกเข้าไปแล้วก็ชะลอวันไปต่อให้อายุร้อยหปีแล้วก็ตายให้นั่งไปงั้นน่ะร้อยปีสอ0รปีก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็ชะลอวันตายไปเท่านั้นเองแล้วก็กดข่มกิเลสไม่รู้จักกิเลสจริง ไม่รู้จักกิเลสจริงล้างกิเลสไม่หมดพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับแม้กระทั่งโสดาบันซึ่งเป็นการลดกิเลสได้ระดับที่หนึ่งไม่ยอมรับแม้แต่โสดาบันจอให้ต่อให้สกัดจิตเก่งขนาดไหนห่อเหินเดินน้ำดำดินไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับโลกขนาดไหนได้อยู่คนเดียวเปลี่ยวเอกาเลยขุดลุมอยู่ตัวเองคนเดียวได้ยังไงท่านก็ไม่ถือว่าเป็นการบรรลุหลุดพ้นพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับเลยมันเรื่องลึกซึ้งมากเลยเรื่องเหล่านี้นะ ตอนนี้ศาสนาพุทธในเทราวาวตในเมืองไทยนี่ก็เข้าใจว่าการปฏิบัติก็คือต้องไปอยู่แต่ผู้เดียวต้องหนีต้องลีกต้องเร้นต้องอะไรอะไรต่างๆนานาออกไปอย่างนั้นทั้งๆที่คาว่าลีกเร้นนี่ลีลละหรือลีลีะลีละนรากสับาลีลีละเนี่ยลอริงสัีลอิงเนี่ยการลีกเร้นเนี่ยพระพุทธเจ้าิบาตมาเคยเอาสูตรนั้นมาอธิบายได้สำหัการลีกเร้นนี่คือการออกจากกิเลส ไม่ใช่ลีกเล่นคือเอาตัวนห น, หนีจากพวกคนไปไม่ใช่เลยสูตรนะั้นอาจารย์มาอธิบายเอามายืนยันดูมันจะยังอยู่ในนี้ก็ยังอยู่นะสูตร ล, ลีละเนี่ยสูตรลีเล่นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าลีเล่นการหลีกเล่นคือการออกจากกิเลสให้หมดอยู่ที่ไหนก็ได้หลีกเล่นเนี่ยยืนยันไว้ชัดมันลึกซึ้งอะมันไม่ใช่ตื้นเขินนะเพรา ะ, ะจะอยู่เหนือโลก จะใช้คําว่าโล ก, กรุตระของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะจะเข้าใจมักองแปะและปฏิบัติไปเป็นขั้นเป็นตอนโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีไปจนกระทั่งเป็นพระอราหันต์อยู่กับโลกอยู่กับสังคมอยู่กับมนุษยชาติอย่างไม่มีอะไรมาดูดกิเลสนี่เองไม่มีกิเลมันดูดให้จมอยู่กับเขาได้เรียกว่าเป็นตัวนิวตรอนที่อาตมาใช้ภาษาอังกฤษว่าตัวเป็นสภาพลอยตัวเลยเป็นสภาพนิวตรอนไม่มีบวกไม่มีลบ ขับกขั้ขลบดูดไม่ได้เลยกลางเป็นตัวกลางมัชชิมาเนี่ยเป็นคำว่ากลางเนี่ยกลางมัชชิมาของพระอาจารย์ลึกซึ้งทุกวันนี้พูดมัชชิมาตื้นๆมิติแนวระนาบมิติแนวอะไรก็ไม่รู้แนวดิ้งยังไม่ค่อยได้เลยแนวระนาบหัวหางครึ่งหนึ่งนี่คือกลางเร่อง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเพราะว่าจะถือศีลกลางกลางเนี่ยถือศีลห้าแบบนั้นนะ ถือศีลหก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยปฏิบัติถ้าถือศีลห้ากลางกลางก็คือศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ขาครึ่งหนึ่งไม่ฆ่าครึ่งนึงนี่กลางแล้วศีลห้าถือนี่วัจจิมานะแร่งเกินไปปเดี๋ยวไม่ได้ขาครึ่งหนึ่งไม่่าครึ่งหนึ่งอทินาอย่าลักทรัพย์ลักครึ่งหนึ่งไม่ลักครึ่งหนึ่ง กาเมสุบิชาร์จานเนี่ยผิดศีครึ่งหนึ่งไม่ผิดครึ่งหนึ่งพูดปดพูดโกหกครึ่งหนึ่งไม่โกหกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันมันตื้นต้นอย่างเงี้ยนะในยกตัวอย่างให้ฟังแล้น่าขำนะจริงๆแล้วความรู้สึกของคนเนี่ยที่บอกว่าครึ่งหนึ่งของตัวเองเนี่ยบอกว่ากลางๆเป็นกลางเนี่ยไปเอาครึ่งหนึ่งประเภทมิติตื้นต้นมาใช้บวกลบคูณหารเอาจริงๆแล้วกิเลสมันจะบอกตัวเองว่าเอาอย่างงี้นาอย่างนี้มันสบายสบาย แล้วไปแปลว่าทรมานตัวเน่ยคือการนอนไปแปลต้นตนเะทรมานตัวคือไปนอนอยู่บนหนามไปเอามีดกรีดตัวไปทําร้ายทำร้ายตัวเองนะไปอดข้าวอดน้ำามากไมก่ไ ม, ม, ม่เกินไปนั่นได้ ว, ว่าทรมานตัวไม่เถียงไม่เถียงจริงกําปั้นทุบดินที่ไหนก็ถูกอย่างนั้นนะทรมานตัวของพระพุทธเจ้านะั่นไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้เลยนะทรมานหมายเขาว่ามันเกินแรงที่เราจะ ตั้งตนอยู่บนความลำบากเกินที่ความลำบากนั้นได้นั่นเรียก ว, ว่าทรมานตนมันเกินไปแล้วมันมันมันเวอร์ ส, ส, สมัยใหม่มันโอเวอร์โหลดมันเกินที่จะแบกน้ําหนักแล้วเราเจะต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากฟังตัวนี้ให้ชัดนะเนเทวทัศนสุรพรจ้าจพู้ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่ง เพราะการปฏิบัติธรรมมัชฌิมาปฏิปทานั้นต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากต้องอดทนต้องฝืนต้องสู้ต้องทรมานพูดกันให้ชัดต้องทรมานตนด้วยทรมานตนไม่ใช่ไปตั้งทรมานอย่างไปเขย่งเก่งกอยขาเดียวหรือไปอดขาอดหน้าประเภทจิตปรจจตายจะเป็นนั่งอยู่บนหนาบนไหนเอามีกรีดเนื้อกีดตัวอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้อย่างนั้นของรูสีอะไรเขาทํามาพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างนั้นหรอกปฏิบัติตามหลักทฤษฎีสินสมาธิปัญญาของพุทธเจ้าก็แล้วกัน แต่ต้องมีศีลที่ให้เราได้ปฏิบัติสังวรระวังอย่างลําบากทุกขายาอัตตานังปัทาติทุกขาย า, า, ก, ายก็คือให้มีทุกมัชฌิมาต้องมีทุกผูกกันง่ายๆไม่ใช่มัชฌิมาคือยถาสุขังโคเมวิหรารโตผู้ใดยถาสุขังโคเมวิหรารโตคือผู้ใดตั้งตนอยู่บนความสบายสบาย พระพเจ้าบอกว่าอกุศสลธรรมเจริญยิ่งคือสุขมันอย่างตามยถากรรมพูดง่ายๆนะยะถาสุขขังนี่อาตมาก็เอาบาลีแบบอาตมานะยะถาสุขขงังคือเรียกว่ามันเป็นความสุขตามสบายๆของเรานี่แหละเราพอใจเราบอกอย่างนี้มัชจิ ม, มายะถาสุ ข, ขังว่างั้นนะพอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าทรมานตนก็เลยเอาตามสบายๆจะนั่งจะกินจะยืนจะเดินจ ะ, น, จะนอนสบายๆอย่างนี้แข่งไปเดี๋ยวถือว่าทรมานตนไม่เอา คนจะเข้าข้างตัวเองอย่างนี้เสมอๆ เ, เลยปฏิบัติไม่ค่อยได้อกุโสธรรมจเจริญยิ่งเพราะไม่ได้ตั้งตนอยู่บนความลําบากอ่ไม่ได้ตั้งตนอยู่บนความลาบากประเด็นนี้ละ่ะสำคัญมากเลยที่ว่าปฏิบัติธรรมะไม่ได้ผลทุกวันนี้ไปเข้าใจคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพียนไปข้างถือหางให้แก่กิเลส ต, ตัวเองนะมันเพียนเอียงไปข้างถือหางให้แก่กิเลส ต, ตัวเอง ก็ปล่อยใจเสพบำเร อ, อบาเรอตนไม่เคร่งครัดและก็ไม่รู้ความหมายด้วยว่าศีลคืออะไรแค่ไหนแล้วจะปฏิบัติอย่างไรสังวรระวังคืออะไรอปปนกธรรมสมของพุทธเจ้าหนึ่งสํมรบรมอินทรีย์หสองโพชเนมตัตะยุตาอินทรีย์สัสงวรโภชเนมตัตะยุตาชากริยานโยคะ นี่คืออปปณักธรรม 3. สําคัญเหมือนกันอธตมามัททิบายยืนยันให้ว่าพงนับปฏิบัติเนี่ยเป็นการปฏิบัติไม่ผิดอปปณักธรรมหมายความว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่ผิดธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีหลักสามนี่แหละปฏิบัติจริงๆจะต้องมีการสํารวมอินทรีย์ว่าจะสัมรวมตั้งตั้นตรงอยู่บนศีลศีลทั้งหมดสัมรวมอินทรีย์นี่นประกอบอยู่ในข้อที่หนึ่งที่จริงมันมีอีกในจารณาสิบผ่าเนี่ยมีสํารวมอินทรีย์ สังวรศีนสํารวมวินรีมันจะต้องสังวรเอไม่ใช่สังวรศีนศีสํารวมวินศีนะสัวรนะสํงรวินศีหกมันจะต้องสํารวมวินศีหกตาหูจมูดินกายใจศีทกวานเนี่ยจะต้องคอยสังวรคอยระมัดระวังสังวรในแปลระมัดระวังเมื่อเรามีศีลเข้ามาใครตั้งศีนในแก่ตัวเองเท่าไร่เท่าไร่ความหมายของศีนว่าฉันจะมีศีลหฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ต้องระวังตัวเองต้องคอยระวังตัวเองอย่างเคร่งครัดนะระวังนะสัมผัสกับสัตว์ต่างๆ สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะคนเนี่ยจะไปทไปฆ่าเขาแม้สัพพัทกับคนเนี่ยไม่สังวรระวังประเดี๋ก็ฆ่ากันง่ายๆถ้าคนเราได้สังวรระวังว่าอยากฆ่าคนนั้นอย่าไปทําให้คนฆ่าคนตายในบาปกว่าฆ่าสัตว์ตายต่อให้ฆ่าช้างไอ้ฆ่าช้างว่าค้างชาฆ่าช้างถึงฮาตัวนี้ยังไม่ไม่บาปเท่าฆ่าคนหนึ่งคนนะสัตว์ตัวใหญ่ก็ตามมันไม่ได้ บาปท้อฆ่าคนคนนี่มันไม่ควรจะไปฆ่าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านฆ่าสัตว์ได้ฆ่าช้างก็ยังแค่ปาจิตตีนะฆ่าช้างนี่ช้างนี่สัตว์ใหญ่นะปาจิตตีเท่านั้นแหละฆ่าสัตว์เนี่ยแต่ฆ่าคนนี่นะแม้แต่ยังอยู่ในคันยังคันให้ตกล่วงยังไม่ต้องมีมือมีแขนอะไรเดยซ้ําไปปาปาราชิกถ้าเป็นพระกับปาลาชิกยิ่งก็ฆ่าช้างเป็นตัว เพราะคนนี่ต้องระมัดระวังเลยที่เดียวยทุกวันนี้ถ้าคนเราระมัดระวังอย่างนี้จริงๆสั ง, รงวรอินทรีย์หนะทวารตาหูจมูกลิน้นกายใจแล้วเราก็ระมัดระวังอย่าให้ไปกระทบกระทั่งอย่าให้ไปถึงฆ่าถึงโกรธถึงแค้นถ้าเราจะโกรธจะแค้นถึงฆ่าคนนี่มันมันร้ายแรงแล้วนะโกรธกันนี่มันก็จะต้องลุกลามไปหาการจะจะฆ่าจะแกงกันนะถ้าได้สังวรอย่างนี้เข้าใจว่าการสังวรคืออะไรได้สังวรอย่างนี้จริงๆสังคมมันจะเป็นอย่างนี้หรอ ใช่ไหมสังคมยังไม่เป็นอย่างงี้ชาวอโซกเราได้มาพิสูจน์การสังวรอย่างนี้จึงอยู่กันได้เนี่ยอยู่กันได้เนี่ยมาจากเหนือมาจากใต้ตะวันออกตะวันตกมาอัดกันอยู่เป็นปาเสดินอยู่ในตึกขาเนี่ยพอเวลาหน้า ง, งานโอโหนอนอัดกั น, นใครมา ก, ก่อนได้นอนอย่างนี้หน่อยคนมาทีหลังต้องนอนตรงกลางนะคือห้องสี่เหลี่ยมอย่างงี้ใช่ัหมอาตมาไม่ได้ให้กันหงกัน้องอะไรแล้วแล้วก็มาให่ใครเอาของไปจอง นอนกันได้ก็ น, นอนกันอย่างเงี้ยห้องกว้างเงี้ก็ น, นอนสิมันมีความยาวความกว้างของห้องพอนอนได้อนี่ก็เอาหัวไปทางนี้นี่ก็เอาหัวไปทางนี้เอาตีนมาทางนี้นะสุดแล้วมันเต็มหมดมันอนเบียดกันเป็นแถวเต็มคนมาทีหลังก็ไม่มีที่นอนก็ต้องนอนตรงกลางตรงช่องกลางระหว่างตีนของสองข้างเขาเนี่ยใครเลื่อนลงมาหน่อยแข่ขขขแงเท้าหน่อยก็คงอร่อยเลยนะเจอตรงพอดีปาก ก็ของอร่อยนั่นก็อย่างงั้นกันน่ะเราก็อยู่กันได้หรือแม้เวลาพูดกันทํางานกันมันก็กระทบกระทั่งกันอะไรอะไรกันกน็สังวรอินทรีย์หนี่แหละสังวรรู้ความโกรธรู้ความอาฆาตมาร้รายรู้ความรุนแรงถือสาแล้วเราก็โลดกันโลกก็คือเห็นแก่ตัวเห็นแก่เข้าของเห็นแก่หมู่พวกเห็นแก่อะไรก็โลกก็ตัวของตัวหมู่ของตัวของของตั ว, อ, อ, ตวอะไรของตัวความโลกก็พิจารณาเนี่ยลด ลดความโลภลดความลดความโกรธลดกันจริงๆจึ ง, จ ง, จงเห็นผลว่าเราจะอยู่กันได้เพราะฉะนั้นสํมมรมี4ี่หเนี่ยมันเรื่องทําให้สังคมนี้อยู่กันรอดที่จริงมันรวมหมดเลยสํมมรมี4ี่นี่แม้แต่กามกามาตัณหาภาวะตัณหามันก็รวมหมดถ้าจะอธิบายแล้วมันรวมหมดนั่นแหละอัตมาอธิบายได้ที่จริงอธิบายได้แต่วันนี้ไม่มีเวลาอธิบาย ก, นะการปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติโดยหลักทฤษฎีมรรคองแปะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ โดยหลักไม่ผิดมีโภชเนมัตันยุตาอัตอมาพามาลดการกินการใช้โภชนะโภชเนโภชโ ช, โชะเนี่ยแปลว่าเครื่องกินเครื่องใช้ต่างๆเครื่องอุปโภคและบริโภคอัตมารวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคจะอธิบายเครื่องอุปโภค ก, ก่อนไอขอเครื่อง บ, บ, บ, บ, บ, บ, บริโภค ก, ก่อนคือเรื่องกินอาหารการกินก็เอา้าเครื่องบริโภค ก, ก็ต้องทั้งวอนระวังลดละน้อยลงมาเครื่องอุปโภคจะเป็นเครื่องใช้ก็ต้องลดน้อยลงมาอย่างที่พาพวกคุณมาเนี่ยเสื้อผ้าหนาแพรลดลงนะ ข่าของเครื่องใช้อะไรอย่าไปละเริงราหลงกับเขาหลอกล่ออะไรนะักเสร็จแล้วก็ไปเป็นทาสนายทุนเสียเศรษฐกิจอะไรกันมากมายพราะเรามาพิจารณาแล้วก็ลดละลงมาได้จึงเป็นอยู่สุขเป็นการปฏิบัติไม่ผิดโภชเน ม, มตันยุตตาชาคริยานุโยคะเราตื่นมาแล้วจากโลกอันหลอกลวงโลกโลกียะที่จบต้องเป็นทาสลาบยศสันเสริญโลกีสุข เราก็ตื่นแล้วก็หลุดพ้นออกมาหลุดพ้นออกมายิ่งตื่นยิ่งเข้าใจรู้เท่าทันก็คือพูดมีดวงตาผู้สว่างผู้เห็นแจง้งเห็นจริงว่าโลกเขานะ่ยมองมาและหลอกเราเข้าไปไปเป็นทาตเราหลุดพ้นความเป็นทาตออกมาเรื่อยเรื่อยรื่อยเรืคือผู้ตื่นแท้ตื่นเต็มตื่นจริงหลุดพ้นออกมารู้เท่าทันว่านี่มันหลอกเห็นจริงแล้วว่ามันไม่ใช่รสอร่อยมันไม่ใช่ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่เขามาหลอกยั่วเย้ามองมาอะไรต่อะไรต่างๆนานา เขโทเอาพริกกินหนูมาให้เรากินเผ็ดเข้าไปมากๆมากๆแล้วว่ามันอร่อยมันแสบแล้วบอกว่ามันแซบเนี่ยเราก็ถูกหลอกมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องเอามากอะ่ะไอ้ ก, กินโอเลี้ยงที่ไปชงค้นๆขมๆไม่ต้องใส่น้ําตาลนะบ้านเน่ยเไอ้หมอนี้แน่กินโอเยอะโดยไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยนี่ไม่มันกินได้เก่งลเลยเหนีววยวๆเลยนั่งหอขนๆครบโอ้ โ, อโหขอมอย่างวินาศสันตโรอาตมาเลี้ยงคําว่าชิบหายอ่ ผมอย่างวินาสันตโรเลยเขาก็ยังหน้าตายเฉยกินได้สบายหลอกให้คนกินน้ําร้อนคนจีนกินน้ําร้อนกันขนาดกินแล้วพองในปากคนไม่เคยกินนะพองนัแหละเขามีวิธีกินกันทอดกันปากของเขากินเฉยแกงแล้วก็วอร่อยและสุกนี่ถูกหลองอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆไปสูบฟินสูบกระชากอะไรก็ตามใจเถอเหมือนกันทั้งนั้นนะมันขมมันคืน่นยังอะไรดีก็ว่าอร่อย ไปเต้นมือแสนเมือ่อเต้นกระดกกระแดกมันดีอะไรดีอะไ ร, ะไรไต่างๆนานาไปโน่นไปนี่ทั้งนั้นสร้างขึ้นมาสังขารขึ้นมาเพื่อให้คนนึกว่ามันเป็นความอร่อยจะอร่อยไปได้เชิงได้สัมผัสแต่ต้องได้แสดงเองเอหรือว่าได้ดูได้แลได้อะไรก็ตามใจทวารทั้ง6นี่แหละก็นึกว่าเป็นความสุขที่แท้เป็นสุขคลิกะเทอตมาแปลว่าเป็นสุขตอแหล สุขหลอกลวงเป็นสุขที่ผังไม่ใช่จริงเลยเป็นสุขไม่จริงนั่นเองอลิกะเนี่ยแปลว่าหลอกลวงสุขัลลิกะเมื่อสมาดกันก็เป็นสุขัลลิกะมันเป็นเรื่องหลอกลวงนะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องแท้เลยเมื่อมาพิสูจน์จริงๆแล้วว่าถ้าเราหลุดออกมาไม่ต้องมีสุขอย่างนี้เนี่ยได้มาพิสูจน์เจ้าก็ต้องว่าสุขอย่างนี้เราไม่ต้องเลยได้จริงๆนะคุณจึงจะเห็นจริงว่าโอ้มันหมดสุขหมดอัศร์ทะหมด สิ่งที่ชื่นชมยินดีที่เคยเป็นรสอร่อยแล้วมันจืดชื่นมันไม่อร่อยมันเฉยเฉคุณเห็นคุณเข้าใจอาจจะมีสัญญาจําได้ว่าแต่ก่อนเราเคยหลงว่าอร่อยนะเดี๋ยวนี้ไมออ่อร่อยเลยหรอกยาอาตมาเนี่เคยนึกออกว่าอาตมาเคยกินพริกเนี่ยนะกินอร่อยแซ่บนะอร่อยนะอย่างพริกขี้หนูนี่อย่างพริกขี้หนูสวนเงี้ยมากินแกล้มกับก้อยเงี้ยแกลมกัดเม็ดแล้วรีบ ต้องรีบนะเพราะกัดแต่พริกไม่ได้ต้องรีบเอาเนื้อก้อยนี่ใส่ปากเคี้ยวเมากัดถูกเม็ดพริกกินหนูเนี่ยมันดังกรับกลิ่นมันก็ออกจมูกทุยอยี่า้นะอีสาก็บอกออกคู้ดังทวนทวนมันอร่อยอะไรเงี้ยออ้ยนมาก็เคยมาแล้วนะทนได้แล้วก็มีวิธีการทำให้ตัวเองกรบเกลือนอะไรแต่อะ ไ, ไปวิธีการกรบเกลือนก็ในตัวทาได้ทนได้เดี๋ยวนี้ทนไม่ได้แสบไม่ไหว แล้วก็ไม่ได้หลงตามแล้วไม่ไหวจริงๆเป็นเรื่องจริงที่เราจะมาพาิสูจน์จะอร่อยอะไรก็แล้วแต่อร่อยขนมก็เหมือนกันนะคุณจะอร่อยขนมนี่ก็เหมือนกันคุณไปเทอคุณไปพิสูจน์แล้วก็พยายามอร่อยอาหารอร่อยขนมอร่อยความสวยนี่ยิ่งง่ายตายเลยมันอร่อยมันติดใจในความสวยมันมันหลอกประเดี๋ยวก็สั้นปรเดี๋ยวก็ยาวปรเดี๋ยวก็หูปรเดี๋ยวก็บานปรเดี๋ยวก็สีนั่นนิยมสีนี้ไหมนิยมพุ๊บท้อ ก็เป็นของเก่านั่นแหละสีแดงเนี่ยตอนนี้สวยจังเลยสีแดงพอบอกว่าไม่นิยมกันแล้วเออไม่นิยมวะไม่สวยว่ะต้องไปนิยมสีใหม่ก็แดงอย่างเก่าแหละพอวนมาอีกอีกรอบอีกหลายปีมาแดงสวยแล้วโว้ยอ้าวสวยแล้วโวยบ้าจี้กันอย่งนั้นนะคุณฟังดีๆจะฟังง่ายๆนะมันไม่ได้อร่อยมันไม่ได้เพลิดเพลินมันไม่ได้น่ายินดีมันไม่ได้สนุกสนานเราเป็นหลอกเนี่ยมเรื่องหลอกทั้งนั้นนะ เนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าเรามาพิสูจน์แล้วรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆพุทธเจา้าตรัสอนเราให้พิสูจน์แล้วเราจะลดละออกมาได้จริงๆพวกเราเนี่ชาวพุทธอโศกเราเนี่ยได้พิสูจน์ได้เรียนรู้มาอาตมาว่าพวกคุณไม่ได้มาหลอกอาตมาและมาลดละลงมาได้ทั้งรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสมีโภชนณมตัตยุตาแล้วก็ชาคริยานุโย ค, คะตื่นตื่นจากโลกเดิมๆโลกเก่าๆมาสู่โลกใหม่ โลกใหม่ที่พระพุทธเจ้าท่านคนพบท่านเรียกว่าโล ก, กุตระไม่ใช่โล ก, กิยะมาเป็นคนโลกใหม่ของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสัมปรายกภูมิก็ได้จริงๆนะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมาเข้าสู่ภูมินี้โดยจิตวิญญาณเข้าถึงจะตายจากโลกนี้ไปแล้วหรือยังไม่ตายอยู่เดี๋ยวนี้คุณยิ่งจะเห็นชัดยิ่งไม่ตายเดี๋ยวนี้คุณยิ่งจะเห็นโลกอันที่เราเองได้เข้าถึงจิตวิญญาณคุณได้เข้าถึงอันนี้แหละสําคัญ นี่อาตมาก็พูดเนื้อหาพวกนี้เป็นเรื่องของโลกุกตระแล้วเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกของพระพุทธเจ้านี่ถูกแล้วมันเป็นยังไงมันก็ลดละอาตมาเอาหลักฐานของพระพุทธเจ้าต่างหลายอย่างเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายอะไรเนี่ยเป็นวันณะกา้านี่มาให้พิสูจน์กันมากน้อยสันโดษไม่สะสมเออเราก็ดูนะขยันขยันได้โดยไม่ต้องเอาอามิดหล่อพ่อนมิจฉาอาชีวะหถึงขั้นไม่ต้องแหลกหลาบแหลกอะไรอยู่ได้เนี่ยอาตมาต้องพูดรัดเลยเวลาไปแล้วหนาทีแล้ว แรกไม่ต้องแลกอะไรมาทํางานเป็นยอดขยันเป็นผู้ปาราความเพียรวิริยารำพะไม่สะสมอปปจยะไม่สะสมกิเลสไม่สะสมวัตถุอัปปจยะไม่สะสมท่างนอกในในไม่สะสมวัตถุไม่สะสมกองกิเลสได้จริงๆมีอาการที่น่าเลื่อมใสก็คืออาการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละออกมาแสดงอยู่ในอยู่ในหมู่กลุ่มอยู่ในโลกอยู่ในสังคม ก็ไม่มีอาการที่น่าเลื่อมใสคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสอาการที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมันเป็นอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสหรอกถ้าอาการที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่อาการน่าเลื่อมใสเป็นคนมีศีลเคร่งเลยเอาศีลเคร่งมาให้ปฏิบัติสบายไม่อยากไปเย็นอะไรปกติทําได้มีการขัดเกลากันจริงๆขัดเกล้าตัวเองขัดเกล้าผู้อื่นขัดเกล้ากันจริงๆเลยขัดเกลากิเลสอะไรเป็นหลักเนี่ยเราเอามาวัดมาเทียบได้เป็นคนมากน้อยเป็นคนสันโดษ ได้จริงๆพวกเราเนี่มีรูปร่างมีเรื่องจริงมีของจริงเป็นมาได้เรื่อยๆๆๆมากขนาดนี้เป็นมวลเป็นกลุ่มเป็นหมู่มันจริงขึ้นมาทุกทีทุกทีจนกระทั่งมีการเกิดเกิดสภาพนนนี้ขึ้นไปสู่สังคมเปิดเผยต่อสังคมมากขึ้นๆๆๆมากขึ้นมากขึ้นธรรมมาธรรมะสงครา ม, มันมีจริงแล้วมันมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดทุกวันนี้เนี่ยอะทําครองโลก เพราะฉะนั้นเมื่อมีธรรมะขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ธรรมมาธรรมะสงครามเมื่อธรรมะได้ท่าขึ้นมาห น, อ น, อ น, อนอ่อยหน่อยยอธรรมจริงๆเขาก็ต้องตื่นตระหนกทําไมคุณหัวเราะไม่เชื่ อ, อฮะฮะเชื่อหรอมันจริงนะเขาก็ตื่นตระนกแต่ธรรมมาธรรมะสงครามมันเป็นเรื่องจริงนะ นี่อาตมาขอย้ำไม่ฟังว่าไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเขาตื่นตระหนกเพราะเขากลัวจะเสียบัลลังกลัวจะเสียภูมิกลัวจะรักษาโลกียะไว้ไม่ได้กลัวโลกโลกียะจะแตกกลัวโลกุตตระจะบุกลุกกลัวโรกุตตระจะยึดครองเราก็ไม่ได้ไปปล้นเขาเหมือนซัดดำหุดเซนอะไรหรอกไม่ปล้อนอย่างนั้นน่าเกลียดเราไม่ปล้อนอย่างนั้นนะ เราจะให้เขามาเอาเองเขาจะเข้ามาในโลกนี้น um um um um> um ี่อย่างคุณหลายหลายคนพยายามจะเข้ามาในโลกนี้เนี่ยโอ้โหผลักดันตัวเองเข้ามาเข้ามาแล้วไม่รู้ม่ไปถูกกระแสอะไรเด้งออกเด้งออกตัวเองจะเข้าตัวเองก็ดึงตัวเองออกด้วยไม่ใช่เข้าได้ง่ายๆเราไม่ไปบังคับขู่เข็นเราไม่ไปดึงไปทึงอะไรใครเขาเข้ามาให้มากใครมาหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเรื่องยากอยู่ แล้วเราก็พยายามพัฒนามาได้มูม่มวลขนาดนี้เนี่ยอัตมาก็เอามาทบทวนเอามาพูดขึ้นมาให้คุณเปรียบเทียบความจริงของจริงโลกทุกวันนี้น่าสงสารเดือดร้อนมากโดยเฉพาะสิ่งที่ใกล้ตัวจะบอกว่าระบบเศรษฐกิจก็ตามระบบการเมืองก็ตามที่เห็นชัดๆง่ายๆนี่นะเศรษฐกิจและการเมืองนี่เป็นระบบที่ในน่าสมเพชเวทนามากเขาทําเหมือนเด็กเด็ก อาตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆทำเหมือนเด็กๆเหมือนก็ทําไปแล้วเราเหมือนก็บรู้ถูกคนอื่นว่าเขาจะไม่รู้ทันคือเด็กๆนี่มันทําอะไรมันเหมือนผ่าซื่อมันเหมือนกัว่าผู้ใหญ่ไม่รู้กับเราแต่ผู้ใหญ่เขารู้ทันเน่ยเด็กมันทําอะไรอ่าทำเหมือนเด็กๆอินโนเซนต์นะที่จริงทําเป็นซื่อที่จริงนะคดอย่างอะไรดีนะแต่ทําเป็นซื่อสอนเชิงนะฟังให้ดีนะ มันฟังดีดีทำเป็นซื่อเลยที่จริงคดรยังกอะไรดีนี่เหมือนกับตีหน้าเดอเซอร์ทาให้ฉันบริสุทธิใจแล้วนะเอที่แท้จริงอะแสนที่จะไม่บริสุทธิ์อย่างสุดไม่บริสุทธิ์ฟังออกไหมไม่บริสุทธิ์อย่างสุดไม่บริสุทธิ์เลยแล้วก็วนอยู่งั้ น, นะอะซึ่งมันซับซ้อนอนะมันกลับไปกลับมากลับหัวกลับผางอยู่เรื่อยถ้าคนไม่เข้าใจจริงจริ ง, รงก็ไม่เท่าทันแอกไปเธอ มันไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดพวกเรานี่มาอยู่กันนี่ถึงได้รู้ว่าเศรษฐกิจคืออะไรเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเราลงไหมดีไหมแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยระบบพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มากน้อยสันโดษให้ลดให้ละให้หลุดพ้นจากกระแสสังคมกระแสโลกหลอกไม่ต้องแบกบำเรอไม่ต้องอะไรแล้วเราอยู่เย็นเป็นสุขเรากินใช้สุขภาพร่างกายจิตใจของเราดีขึ้นเป็นสุขอย่างนี้แก้ได้ที่ตัวเองหลายครอบครัวยังไม่ได้ทั้งครอบครัวได้ส่วนตัวก่อน ได้ทั้งครอบครัวหลายครอบครัวมารวมกันสวยเราตั้งใจว่าจะเอาสิ่งที่จะเป็นบัลลังก์หรือว่าเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นตาแหน่งหรือว่าเป็นอะไรที่ยอมเป็นสมมติสัจจะเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาเพื่อที่จะไปจัดการเพื่อที่จะไปทางานให้มันเกิดคุณค่าประโยชน์ขึ้นมาในสังคมเรารู้อยู่ว่าควรแต่หลายๆอย่างก็รู้อยู่ว่าแม้ควรมันก็ยังยากยังเป็นไปได้ยาก เราก็ต้องชะลอแล้วเราก็ต้องดูองค์ประกอบเหตุผลประกอบต้องฉลาดซ้อนเชิงหลายหอย่างาถึงอาตมาเองอาตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงงานมันหลายด้านทุกวันนี้ยังถึงขนาดต้องเป็นโรคส่วนตัวส่วนตัวอยู่เนี่ยเพราะว่ามันหยุดไม่ได้ไม่รู้จะหยุดยังไงอาตมาจริงๆนะถ้าอาตมาเองอาตมาจะหยุดจริงๆนะอาตมาหยุดได้นะคืออาตมาพักจะหยุดจะไม่ต้องไปรับความากได้ แต่ว่าถ้าหยุดไปแล้วมันก็ชะ ง, งักนจะเจริญด้วยว่าสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วอะไรเกินการอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าคืนช้ายิ่งกว่านี่นะ <c oughs> ยิ่งก็ไฟไหมหัวที่พุธทธเจ้าทนยกตัวอย่างขนาดสอ0รกว่าปีพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบว่าเราต้องปฏิบัติธรรมเหมือนกับมีไฟไฟอะไระผ้าผ้าชุบน้ามันเป็นไฟไหมอยู่ตรงหัวเนี่ย ต้องรีบเอาออกจากหัวถ้ามันมีผ้าชุบน้ํามันไหมอยู่บนหัวคุณแล้วคุณไม่รีบเอาออกจากหัวนี่คุณก็บ้าแล้วใช่ไหมมันยังงั้นอ่ะมันต้องรีบเอาออกอยู่มันรีบเอาออกก่อนอื่นเลยก่อนอื่นจะพูดกันเดี๋ยวเดี๋ยไม่ดองไม่ฟังอะไรมาสําคัญขนาดนี้ก็ต้องเอาไอ้ไฟที่มันไหมผ้าชุบน้ํามันอยู่บนหัวนี่ออกก่อนนะมันยังงั้นนะมันจําเป็นอย่างงั้นมันต้องรีบร้อนอย่างงั้นเพราะทุกวันนี้มันโอ้โหไม่กินตัวเข้ามาใกล้จนกระทั่งเราจะไม่ ไม่มีท่าแล้วเพราะเราต้องรีบทําอัตมาจะหยุดยัง้งอะไรอะไรบ้างมันก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้โดยเห็นความจําเป็นอย่างนี้ด้วยและหยุดไม่ได้เพราะพวกเราก็หยุดไม่ได้ด้วยนะพวกเราก็เจตนาดีอัตมาไม่แห่อนุโมทนานะคนที่มีความขมีขมันตั้งใจสร้างสรรค์รมโน่ทนทำนี่อ่าก็ดีแล้วมันไม่ใช่หาง่ายๆมาทํางานฟรีมาเสียสละอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายๆมันก็ ต้องสนับสนุนส่งเสริมอนุโมทนาและอาตมาจะไปพักลงได้ไงฟังดูแต่ถึงยังไงก็ตามอาตมาก็จะพยายามนะพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นภัยต่อตัวเป็นภยัตนภยต่อพวกเราอาตมารจริงๆ ก, ก็ยังไม่อยากจะตายไปไวจากพวกคุณเท่าไรหรอกไม่ใช่ว่าอาตมารักชีวิตนะแต่ว่ามันน่าจะได้คือรู้อยู่ว่าอาตมายังพูดอะไรให้พวกคุณฟังนะยังไม่หมด ยังมีอะไรอีกมากเหลือเกินที่จะต้องบอกพวกคุณแต่บอกไปแล้วก็ยังฟังไม่ไหวมั่งคือฟังไม่รู้เรื่องก็มีฟังรู้เรื่องก็มีบ้างไอ้ที่ยังฟังยังไม่รู้เรื่องกันเลยเนะี่ยมีอีกอัตมา ก, ก็ยังไม่ได้บอกแล้วจะรีบตายไป้วก็ใชัยทีเอาจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นอัตมาเคยบอกว่าเหมือนอัตมามีเพชรสิเม็ดในชักมาพูดให้คุณฟังหรือชักมาให้คุณดูแค่นี้ก็ ตาวาวตาพราวตาพร่าแล้วเดี๋ยวเอาชักบัทิงละสิเมตรกุนตาบอดเลยไม่ต้องตาพร่าไม่รู้เรื่องกันเลยอนุสัมบัญเนี่ยสำคัญอย่างนี้นะเพื่ออนุสัมบัญนี่รับโดยสิ่งที่มันรับไม่ได้มันรับไม่ได้แล้วมันเขาจะผิดด้วยทําลายเลยนอกจากตาพร่าตาบอดแล้วเราทําลายด้วยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องซับซ้อนจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นและมีสิ่งรองรับมีเหตุมีปัจจัยอะไรๆมันจึงจะเข้าได้ขึ้นมามันจึงจะพอตามได้เข้าใจได้อาตมาพูดกับคุณพวกคุณง่ายขึ้นเพราะว ข้างนอกนี่ไม่มีสิ่งรองรับพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคนละภาษาเลยนะยิ่งเขามีทิศทางทิฏฐิของเขาแบบนักวิชาการแบบคนโลกียะเต็มหูเต็มหัวนะเขาบอกไอ้นี่มันบ้าอัตมาถืออันนี้อันหนึ่งเหมือนกันพวกนักวิชาการหรือพวกที่มีฐานบัลลังของโลกียะของเขานี่มีลาบยศอะไรมีศักดินาอะไรของเขานี่นะแล้วเขามีแอนมุน ม, มากเนี่ยเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแล้วเขามีอํานาจอยู่ตามสังคมดีแล้วเขาจะได้หยามหยันพวกเราเห็นว่าพวกเราเนี่ย เฮ้ยพวกนี้ไม่มีท่าเลยล้อไปกังวลมันเลยปล่อยมันเถอะดีแล้วเนี่ยพอเพลอมาตอนนี้เขาชักรู้ตัวขึ้นมามากแล้วแต่ก่อนนี้เขาดูถูกดูแคลนบอโสมไม่มีอะไรลราหน้าปล่อยไปเถอะบ่บ่าบ่าวมีอะไรดีอะอย่างนั้นนะดีแล้วเดี๋ยวนี้เราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอาตมาที่บอกว่าอย่าไปแอกมากนักเลยให้เขาบ่าวบ่าวบ่าวบ่ะดีแล้วแต่ไม่ต้องไปบ้าจริงล่ะนะจริงนะเนี่ยให้เขาบาว่าวบ่าวบ่าะดีแล้วเขาจะได้เห็นว่าเราดีไรค่ะนั่นแหละดี ปล่อยไปเรื่อยๆไปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆงเมื่อรู้ตัวก็สูงเสร็จแล้วเมื่อรู้ตัวก็สูงเสร็จแล้วหรือเมื่อรู้ตัวก็สายเสร็จแล้วยังงั้นนะที่เราได้อะไรมานี่เพราะอย่างนี้นะเนี่ยถ้าไม่งั้นเขาจัดการนั้นสิกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะเหงิกเราป่านนี้เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนเทราสมาคมไปแล้วจร <ๆๆ S 1> ิงๆนี่ดีแต่ว่าเขาเผลอไม่ใช่เผลอหรอกเรา อาตมาบอกอาตบารุอาตมาใช้เจตนานั้นมาตลอดเวลาใช้เจตนาเนี่ยให้มันเขาว่าเราอย่างนี้ไปเถอะเพราะหลายๆคนบอกว่าเออต้องไปเข้ากับเขาหน่อยสิต้องอยาให้เขามาดูถูกดูแคลนนักให้เขาดูถูกเถอะยังไงเขาดูถูกดูแคลนนักเขามาดูถูกเขาก็สัตเขาดูถูกดูแคลนเขาก็ไม่ศรัทธากลัวคนยังไม่ศรัทธาแล้วตอนนี้คนตาดีขึ้นเยอะนะคนมองออกเขาไม่ค่อยมาดูถูกดูแคลนเราเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็บอกอย่าไปแตะมันนะพวกนี้อจะเล่นนะ ไม่ใช่บ้านะเอาจริงไม่ใช่บ้านะแต่ก่อนนี้เขาว่าบ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยล็อกเกรงใจขึ้นมาเยอะแล้วนะเพราะงั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่รู้พวกเราคนรู้รู้มากขึ้นอย่าให้มันฮือหาแล้วกันอย่าให้เขารู้ตัวแล้วกันนี่ก็บอกเอาไว้เพราะงั้นใครยังจะมศใครยังอะไรแต่ไดอยู่อย่างเก่าใครยังง้นงี้ให้เขาว่าเข า, เอาอะไรบ้างเขาดูถูดูแคลนหมิ่นยามบ้างเป็นการปฏิบัติลดมานะตัวเองด้วยและมันเป็นผลประโยชน์ทางเราด้วย ว่าอย่าเพิ่งไปแข่งไปขันอะไรกับเขาต้องเข่าแม้สเสมอเคียงบา่าเคียงไหลต้องทําให้มันอย่างวนอย่างนี้โดยตีกินกิเลส ข, ของตัวเองมันอยากจะเป็นอย่างนั้นลเลยแอะทำอมไรอันนี้ฉันอนุโลมเพื่อเขาที่แทแร บ, บํรารพ็กิเลสตัวเองไม่ว่าอย่าไปอย่างงั้นพยายามขัดเกลารแล้วพยายามมากน้อยสันโดษพยายามไร้แรงนี้ไปแล้วมันจะดีนะเอาเลยเวลาไปเกือบ20นาทีนะเอาพอ